เมื่อสองสามวันก่อนมีคนเขียนจดหมายมาอวยพรวาตา ม, มาอวยพราสามข้อนะก็คือข้อแรกอวยพรว่าขออาจารย์อยาได้มีอนาคตสองขอแหจารย์หมดเนื้อหมดตัวและสามขอแหจารได้ได้ผู้ได้เกิดอีกแตแล้วก็อธิบายเพิ่ม อ, อธิบายใหญยความนะ ขอให้ใหญมียนาเขาจะคือว่าขอให้อยู่กับปัจจุบันขอให้หมดเนื้อหมดตัวคือว่าขอให้ละสักยัตทิฏฐิสักยัติทิฏฐคิคือความเห็นว่ามีตัวมีตนว่ามีเรามีของเรานะเห็นว่ากายและใจนี้เป็นตัวเราเป็นของเราละสักยัติทิฐคิคือละความยึดถือที่ผิดว่ามีตัวเราของเรานะนะอันนี้คือความหมายหมดเนื้อหมดตัว ก็คือไม่มีตัวตนหรือว่าไม่ยึดตัวไม่ยึดตนก็สามนี่นะจะได้ผูดได้เกิดนะก็อธิบายว่าจะได้กลับมาเกิดอีกนะคือเป็นพระอารหันต์เปเลยนะครับทีแรกนะดูเหมือนแช่งนะจะได้มีนาคนะ์น่ะให้หมดเนื้อหมดตัวจะได้ผูดได้เกิดนะใช้ดึงความหมายดีนะนะความหมายดีเอ่านะ เป็นพรที่ประเสริฐที่กว่าขอให้ร่ำรวยมีชื่อเสียงมีสุขภาพดีมีครอบครัวดีมีงานดีด้วยซ้ำเพราะว่ามีทั้งหมดที่ว่ามานะมีเงินมีทองมีความร่ำรวยมีชื่อมีเสียงก็ยังมีความทุกข์ไม่พ้นก็ยังทุกข์อยู่ทุกข์เพราะว่ายู่รู้สึกว่ามีเงินน้อยไปเพราะคนสมัยนี้ไม่ได้คิดแค่รวยอย่างเดียว แต่ยังอยากจะรวยกว่าคนอื่นด้วยถ้ารวยแล้วนะแต่ว่ามีคนอื่นรวยกว่าก็เป็นทุกข์นะถ้ารวยแต่รู้สึกว่าตัวเองรวยน้อยกว่าคนอื่นก็ทุกข์มีร้อยล้านพันล้านก็ยังทุกข์เพราะรู้สึกว่ายัางสู้คนที่มีหมื่นล้านไม่ได้บางทีก็ทุกข์เพราะเงินนี่แหละทุกข์เพราะการหวงแหารักษาเงินรักษาทอง เงินหายไปก็ทุกข์สุขภาพดีก็อาจจะทุกข์ได้นะเนี่ย พ, พอายุกแก่เข้าแก่สบเก้าแล้วเดินเหินไปไหนมาไหนไม่ได้นอนอยู่บนเตียงอายุยืนเป็นร้อยจะมีประโยชน์อะไรนะถ้าหากว่าตัวเองนี้ไม่เพียงแค่นอนทำอะไรไม่ได้บางทีความจำเสือ่อมกลายเป็นภาระของลูกหลานเดี๋ยวนี้ เพื่อนๆรุ่นเดียวกับตามาเนี่ยเมีความทุกอย่างนี่คือการต้องดูแลพ่อแม่ที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะจาอะไรไม่ได้สักอย่างนะกินข้าวก็ไม่ยอมกินนะนอนก็ไม่ยอมนอนบางทีก็ฉี่ถ่ายเยลียดละพออายุมากแล้วนี่บางทีก็ตัวเองทุกไม่พอไปสร้างความทุกข์กับคนอื่นนะคนที่นี่ อดคิดไม่ได้ว่าคนที่สมัยนี้คนที่รักลูลกหลานนะถ้ารักลูลกหลานมากๆนี่ก็อย่าอย่าให้มีอายุยืนเกินไปเลยนะเพราะว่าถ้าอายุยืนเกินไปแล้วลูกหลานลําบากมากต้องคนเครียด น, นะประเทศญี่ปุ่นนี่มีคนหนึ่งนี่แกต้องดูแลแม่ซึ่งป่วยแล้วซึ่งอายุมากเก้าสิบกว่าปีดูแลก็ไม่ไหวตัวก็เครียดซึมเศร้า สุดท้ายก็ฆ่าแม่ตายแล้วตัวเองก็ฆ่ า, า ต, ตัวตายด้วยเพราะว่าถ้าตัวเองตายคนเดียวแล้วปล่อยให้แม่ถูกทิ้งไว้แม่ก็ลําบากก็เลยจัดการแม่เลยด้วยจะได้หมดความทุกข์ทรมานในสมัยนี้มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าการดูแลพ่อแม่นีก็มีแค่ลูกสองคนหรือลูกคนเดียวต้องดูแลไม่เหมือนสมัยก่อนพ่อแม่มีลูกห้าคนสิบคนก็ผัดกันช่วยกันดูแลได้ แถมยังมีเครือญาติอยู่ในหมู่บ้านนะใการดูแลคนเท่าคนแก่สมัยนี้มันไม่เป็นภาระหนักเท่าสัสมัยนี้มันเป็นภาระหนักกว่าสมัยก่อนมากทั้งที่มีเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกมีเงินมากมีอายุยืนนะมันก็ไม่ได้แปลว่ามีความสุขเสมอไปถึงแม้มีครอบครัวดีก็ยังทุกข์อีกนะ ลูกก็เป็นคนดีไม่ติดยาตั้งใจเรียนแต่ว่าอยากจะเป็นอยากจะเรียนเป็นกุ๊กอยากจะเรียนด้านอาหารแม่ก็เสียใจนะก็มีนะมีสาวคนหนึ่งก็มาปรึกษาว่าทําไงดีแม่อายุ57อายุเท่าตา ม, มาแต่แม่กุ้มใจที่ลูกนี้นะไปเรียนทางด้านอาหารแทนที่จะไปเรียนทางด้านธุรกิจ ไปเรียนเป็นสถาปนิกไม่เอาไปเรียนด้านอาหารแล้วก็แถมจะอยากจะมีแฟนเป็นเชฟนะก็รู้สึกว่ามันไม่ไม่ไม่ใช่เป็นอาชีพที่มีเกียรตนะิที่จริงเชฟนี่เดี๋ยวนี้ก็เป็นอาชีพที่มีเกียรติได้นะแล้วคนที่ทำงานด้านอาหารนะเนี่ยเาก็สามารถจะมีความสุขได้เพราะเขารักการทรุงอาหารการทำอาหารอันนี้ก็เป็นความทุกของแม่นะ ทั้งที่ลูกก็ดีแต่ว่าลูกมีอาชีพที่ไม่ตรงใจแม่ก็ทุกข์นะังแต่ถ้าเกิดว่าเร า, นะเามีได้พรหรือว่าได้เข้าถึงพร่นะที่เทตมาได้เล่านะว่าอยู่กับปัจจุบันไม่มีอนาคตนะราสเีอาทิตจิกได้หมดเนื้อหมดตัวไม่มีความทิดมันถึงมันในตัวกูของกู ความสุขก็กลายเป็นเรื่องง่ายเจอทุกข์อะไรแม้แต่เจ็บป่วยมันก็ป่วยแต่ก า, ายใจไม่ป่วยไม่ได้รู้สึกว่าเราป่วยไม่ได้รู้สึกว่าเราเจ็บมันเป็นแค่อาการของกายอันนี้เป็นอาการของผู้ปปฤฤฤฤฤที่รัตสักยะทิฏฐิได้ก็คือรู้ว่ากายนี้ไม่ใช่เราอากายป่วยก็เป็นเรื่องของก า, ายไปเป็นเรื่องของขันแต่ว่าไม่ใช่เราป่วยไอ้ความสุกว่าเรามันไม่มีสูญเสียอะไรก็ไม่เป็นทุกข์เพราะไม่ได้ที่ว่าเ ป, เป็นของเรา ยิ่งถ้าไม่ผุดไม่เกิดนะคือไม่กลับมาเกิดอีกก็ยิ่งวิเศษก็ไปใหญ่นะทั้งหมดนี่แหละนะก็คือสิ่งที่พระเจ้าจะทรงค้นพนะก็คือทรงรักแกทิฏฐิได้แล้วก็ทรงทำได้มากกว่า น, นั้นนะรักษาทิฏฐินี้ก็พระโสดาบันก็ทำได้แล้วนะแต่ว่ายังมีอีกหลายขั้นที่ต้องละโดยเพราะละอวิชา เมื่อลาวิชาได้ก็เป็นพระอารหันต์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงนี้ก็เรียกว่าหมดทุกข์นะเพราะาไม่มีกิเลสที่มาทําให้จิตใจเศร้าหมองอันนี้คือพรประเสริฐนะที่นัว่าแต่ว่าประเสริฐแค่ไหนนะคนผู้คนทั่วไปก็ไม่ค่อยสนใจอยากจะได้สิ่งที่มันต้อยต่ำคนนั้นเช่นเงินทองชื่อเสียงทั้งที่มันก็เจอไปด้วยทุกข์ เพราะนั้นเนี่ยนะถ้าเราจะหวังจะปรารถนานะก็ให้เอาสิ่งเหล่านี้เนะี่ยเป็นอุดมคติของชีวิตนะที่พระเจ้าตรัสรู้นะในวันวิสาขาก็ตรัสรู้เรื่องนี้แหละนะจนกระทั่งสามารถที่จะดับอวิชชาหมดกิเลสได้แล้วก็ไม่กลับมาเกิดอีก